ที่เดือดร้อนใจพวกเขาจะมาวีราบุรุษสีเขียวรัดเดียวมีใจให้จะอุกน้ำเลยโคลนเข้าไปปกป้องคนไทยทุกคนว